อยู่ในยุคที่ไม่ควรมีคู่แต่งงานให้ต้องรู้สึกเสียเวลาทีหลังหรือไม่ควรครองคู่เพื่อให้เด็กเกิดใหม่ต้องเดือดร้อน แ้งขวางคนที่อยู่ด้วยกันไม่ให้เข้าถึงกันได้แก่ความลับในใจกับมือถือในมือสิ่งที่ทำให้คู่รักรู้สึกเหมือนไม่มีทางเข้าถึงกันได้ได้แก่ความลับที่รู้ว่ามีอยู่แต่ไม่รู้ว่าคืออะไร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 เหมือนได้อะไรดีๆมาไม่จริงแต่มีสิทธ์เสียอะไรดีๆไปจริงๆได้ทุกเมื่อ